นักปฏิบัติอย่าได้มองดูและสนใจกับผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านและอย่านำแบบใดฉบับใดนอกเหนือจากแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ท่านพาดำเนิน แบบฉบับของท่านเป็นแบบเป็นฉบับกิจทำลายวัตจักรทำลายกองทุกทั้งมวลซึ่งเป็นสาเหตุมาจากวัตจักรวัตกิจแบบนอกนั้นส่วนมากมีแต่เรื่องส่งเสริมวัตจักรวัตกิจโดยเจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติ ดีปฏิบัติหรือความหวังทาให้เคริ่มไปไม่รู้จึกตัวเหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทางแต่มุ่งหมายในจุดที่ตนต้องการแล้วเดินไปอย่างเพลินตัวสาวเท้าไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีกแวะไปทางใดทวีปใด แต่ความหวังยังเต็มหัวใจว่าจะถึงจุดที่หมายซึ่งตนต้องการทาั้งทังจิตก้าวเท้าไปนั้นผิดไปโดยลำดับลำนาและห่างไกลต่อจุดที่หมายไปโดยลำดับเจ้า ต, ตัวก็ไม่รู้นี่คือขาดความสนใจในสายทางที่จะพาให้ถึงความมุ่งหมาย นี่ก็คือขาดความสนใจในแบบฉบับตามหลักธรรมที่ท่านพาดพ า, าดำเนินมานเรื่องความหวังนั้นังกันได้ทั้งนั้นแหละแต่การที่จะสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อให้ถึงความหวังนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่งอึ้นอึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาความสนใจจดจอ่อผู้ปฏิบัติที่ ไม่สมความมุ่งหมายแล้วก็ไปโทษให้อัดให้ทําให้มรรคผลนิพพานว่าร้ายผลไร้ประโยชน์ก็เพราะความโง่เง่าต่อตุ่นของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนวลล้วนทําลายทำอยู่ในการปฏิบัติของตนนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาทําลายความมุ่งหมายนั่นให้ไม่สมหวังหรือจนกลายเป็นความมุ่งหมายล่มละลายไปได้ เพราะไม่ปรากฏผลขึ้นมาแม้นิดหนึ่งจากการปฏิบัติรุ่งนุ่มบำอนนั่นเลยโดยเหตุ น, นี้ผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนีย ก, กศึกษาให้ดีอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระสงฆ์สาวกท่านผู้ฆ่ากิเลสไม่คิพหายวายปวงไปจากพระทัยและใจไม่พาเสียดายอย่าเสียดาย ฝืนความเสียดายนั้นด้วยการต่อสู้ด้วยการฉลาดและนํำทำที่ถูกต้องดีงามเข้ามาแทนที่กับสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้นจะชื่อว่าดําเนินตามหลักศาสดาความผิดถูกชื่อว่าดีสิ่งที่ควรฝืนไม่ควรฝืนพระพุทธเจ้าทรงผ่านมา ไม่มีอันใดสงสัยแล้วและไม่มีใครเกินศาสดาในการฝาร่าพื้นความรุ่งยากการเลือกเฟ้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการประพฤตปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างมาโดยลำดับจนถึงหกพระพันษามีว้นแร่ตั้งแต่สำบุคํำบันทั้งทางส่วนมากเป็นทางที่ผิดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางด้วยมาก็ทรงสลัดปัดออกเรื่อย เสาะแสวงหาทางที่ถูกที่ดีโดยรำพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูมเมื่อได้กัดสรดูแล้ทรงรู้เองเห็นเองพระทรงแสวงเองโดยปราศจากครูอาจารย์สั่งสอนในทางที่ถูกต้องดีงามพระองค์ได้ทรงผ่านมาหมดแล้วอันใดที่ปฏิปทาใดความรู้ความเห็นใดที่พระอาวาทได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้น นั่นแลคือปฏิิทาเครื่องฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยปฏิปทานอั น, นออกมาจากการดำเนินและสวัาดิธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นอุปฏิบัตจ้องเป็นผู้หนักแน่นอย่าโยกโยกคอนทอนอย่าอานิจัยของคารวาสนิจัยของกิเลส ซึ่งเป็นค่าสึกต่อธรรมาใชา้จะไม่เห็นผลที่มุ่งหมายตลอดไปถ้ายังเสียดายความรู้ความเห็นจริตนิสัยของตนที่เคยฝังสมมากับยึดนั้นมาใช้ในวงศาสนาแล้วก็จะมาทำลายการพฤพิปฏิบัติของตนโดยที่เจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติได้ได้นั่งสมาธิได้ภาวนาัน่านความละเอียดของ สิ่งที่เป็นค่าศึลต่อธรรมละเอียดมากไม่มีสิ่งใดจะเหนือกว่าในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุอันเป็นแดนสมมุตินี้มานานแสนนานโลกที่หลุดรอดพ้นไปไม่ได้เ พ, เพราะธรรมชาตินี้เปี้ยกร่อมครอบงำคู่เข็นบังคับบัญชามีอำนาจก็ามากความเปี้ยก่องก็แหลมคมไปละเ พ, พราะพิง อำนาจก็มากไม่มีใครกล้าฝืนและไม่มีสิ่งใดจะปราบไม่มีสิ่งใดที่จะรู้โทษของมันได้และปราบมันลงได้อาได้หลุดพ้นไปจากเครื่องกดขี่บังคับเหล่านี้เบื้องต้นก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ยึเงเป็นอัศจรรย์มากทีเดียวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่รับพระองค์พระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสามเดือนโลกธาตุนีหวั่นไหวตัวถึงกันทั้งฝ่ายมารทั้งฝ่ายที่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าที่เป็นฝ่ายดีสะเทือนไปหมดฝ่ายมารก็สะเทือนใจ เพราะมีสิ่งทำลายมีสิ่งกีดขวางมีค่าศึกของตนเพราะฝายอาธรรมต้องถือธรรมเป็นค่าศึกศัตรูอย่างฝังลึกเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นพระพุทธเจา้าทรงอุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้ฝ่ายอาธรรมจึงกระเพือนจิตใจมากในทางเสียใจ หากพูดเรื่องความเสียใจเสียใจยมากอย่างพญามารเสียใจทายดีก็กระเทือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในธรมรมจักรปวัตตนสูตรตั้งแต่ภูมิเทวดาสัตตมุสาเวสุงสัตตุสตาเวสุงเรื่อยๆคือส่งเสียงกระจายกันไปประกาศลั่นไปพอพวกนี้ได้ยินแล้ว สั ด, ดังสุตตวะส ด, ดังสุตวะมีเราพูดเพียงย่อๆเพื่อให้ได้ใจความเท่านั้นมาเทวดาแต่ละชั้นรภูมิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศต่อกันไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงพรมโลกนี่ฝ่ายดีฝ่ายหวังพึ่งธรรมเหมือนโรคเหมือนคนไข้มีความหวังในหมอในยาอย่างนั้นแหละ เพราะการอุบัติขึ้นนี้แม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาถึงขนาดนั้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนโลกยังไม่พ้นที่มหาอำนาจแห่งวัตจักรจากครอบโลกไว้ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนรอดพ้นไปไม่ได้ยังมีอยู่จำนวนมากที่รอดพ้นไปได้ตาม ข่ายของสวดคาตธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นนับพระโอวาททั้งหมดที่ออกจากพระอ์เองไม่มีแม้นนิดหนึ่งที่จะเคลื่อนค้าจากหลับความจริงเพื่อความสังหารสิ่งที่เป็นข่าสึกอยู่ภายในใจิตใจแม้เช่นนั้นก็ยังจับเอามา ยึดออกมาปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งที่กล่าวสิ่งที่ทําตําหนินี้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันยังแหลมคมเข้าไปอีกว่าผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไหนไหนชาติโลกใครจะไม่อยากหลุดจากพ้นจากความทุกข์ความลําบากเพราะตั้งแต่วันเกิดมาไม่ว่ารายใดจมอยู่ด้วยความทุกข์ความลําบาก ในแง่ต่างๆกีป้าถาวันหนึ่งคำนวณไม่ถูกเพราะความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากจิตใจซึ่งมีสิ่งผักดันให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่ละลายละลายจมอยู่กับกองทุกข์เท่านั้นมีลายไหนที่เว้นไม่มีกองทุกข์ขึ้นพี่ว่าอยู่ในแดนสมมุตินี้แล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยหนักกับเบาต่างกันเท่านั้น เรื่องความทุกข์ที่จะไม่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นลงวัตจักรซึ่งเป็นยาพิษอนําคันได้ฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่ถักดันออกมาให้เป็นเรื่องความทุกข์ความลำบากสิ่งที่กรองสั์ทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เห็นว่าเป็นสุขบ้าง ทำให้เกิดความเพลิดเพลินบ้างให้มีความสุขชั่วประเดียวประดาวบ้างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เหยื่อล่อทั้งนั้นล่อเพื่อจะทุบเพื่อจะตีเพื่อจะทรมานสัตว์โลกนี้จมอยู่ในแหล่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีลายใดที่จะเห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะสิ่งที่กร่อมให้เห็นโทษยังมีอีกทีนึง เป็นชั้นๆเข้าไปแล้วเราคำนวณดูสิว่าในสามแดนโลกธาตุนี้มีสัตว์โลกจำนวนเท่าไหร่มีรายใดที่เล็ดลอดตัวออกไปได้ตั้งอยู่ในหรือสถิตอยู่นอกขอบข่าย ของกองทุกมากน้อยเหล่านี้ไม่มีเลยเพราะคำว่าสมมุติทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเขตแดนของผู้ครองอำนาจที่จะให้ทุกแก่สัตว์โลกอยู่โดยดีอยู่แล้วใครจะเล่นรอดไปได้แล้วเราประมวลมาดูที่ว่า สัตว์ทุกตัวมีแต่อยู่ในกอ ง, งขังนี่หมดเหมือนกับปลากี่ร้อยตัวก็ตามที่เขาขังไว้แม่ที่สุดขังไว้ในทะเลมีตาข่ายครอบไว้หมดนับวันนับเวลาที่จะตายกันไปเรื่อยๆแล้วเอามาเพิ่มเรื่อยๆตายกันไปเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆต้มแกงกันอยู่เรื่อยๆ นำเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนี่ทานองเดียวกันกันกบสัตว์โลกที่ทนทุกทรมานพอแล้วก็ตายไปแล้วเกิดใหม่เรื่อยับแทนเรื่อยตายไปเรื่อยอยู่ทํานองนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยนอกจากชั้นสุทธาวาคาชั้นแม้มีทุกข์อยู่บ้างตาม ที่มีละเอียดตามเชื้อแห่งวตัตตะที่ยังมีละเอียดที่จะไม่กลับมาเท่านั้นเพราะห้าชั้นนี้ไม่กลับแต่ในขณะที่ไม่กลับนั้นก็ยังอยู่ในโกลงขังห้องขังของมัตตะจนได้จนกว่าจะเพียงพอกับการบำเพ็ญหรือจิตใจเต็มที่ เอมภูมิในอัธรรมทั้งหลายแล้วก็ผ่านไปนอกนั้นไม่มีปรากฏว่าลายใดที่จะอยู่นอกขอบขายอันนี้ไปได้หรืออยู่นอกรั้วของวัตจักรนี้ไปได้เนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดอยู่กันด้วยการหลับหูหลับตา ด้วยความมืดบอดตลอดเวลามาไม่มีคำว่าสว่างสว่างต่อเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าใดกระจ า, จายออกไปนั้นจึงมีทางเล็ดลอดบ้างแม้ไม่มากก็าตามยังดีอยู่มากมายเพราะจิตแต่และดวงละดวงนั้นมีคุณค่ามากอยู่แล้วละได้บรรลุธรรมหรือได้สร้างคุณงามความดี เพราะความเชื่อความโน้มส ใ, ในอธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ยังมีคุณค่าแก่จิตใจของผู้นั้นอยู่ไม่น้อยเนี่ยความอุบัติขึ้นของพระพุเทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครแนะนำส่องสอนทางเล่นลอดให้พระองค์เลยแต่ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจนได้จัดสรู้ขึ้นมาจึงให้นามว่าสยามผูกทรงรู้เองเป็นเองเห็นเอง ไม่มีครูใดสั่งสอนได้วิชาแขนงทำลายวัตจักรนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นขึ้นมาเองจากนั้นก็ประทานอุบายให้แก่พุทธบริษรมีปฐมมัณฑสาวกเป็นต้นในยึดเอาหลักเกณฑ์อ น, นั้นไปธประพฤติปฏิบัติพร้อมกับอุบายแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆแล้วก็สร้างสติปัญญาขึ้นมา ซึ่งเป็นสติปัญญาที่ควรแก่การสังหารวัตจักรวัตจิตได้เป็นอย่างดีขึ้นภายในตัวเองและอาศัยคติธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็ได้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาดังเบญจวัคคีทั้งห้า ที่ว่าจัดจะรู้เร็วคือท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องปักใจลงให้แน่นหนามั่นคงในความเชื่อต่อปฏิปทาของศาสดาพร้อมกับธรรมของศาสดาและปฏิปทาของสาวกท่าน ด้วยความมัตจักรลมจากจิตใจหมดแล้วยึดเข้ามาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายกับนี้แล้วตั้งท่าฝืนในสิ่งที่ควรฝืนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียนไม่ลดละความฝากความฝืนและเร่งความภาคเพียนที่จะเป็นไปเพื่อความมู้สุกยิ้มุดหลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกนี้ดังที่เคยเทศเสมอว่า พละห้าหรืออินสี่ห้านั่นเป็นธรรมสําคัญมากเยียวโยงกันหนึ่งอิทธิบาทเสมอนกันศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้าคือกําลังห้าอย่างรวมตัวทั้นเข้าหนุนดวงใจให้มีกําลังแก่กล้าหนุนทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรทุกด้านให้มีกําลังเพื่อปราบปรามสิ่งที่ฝังตัอยู่ภายในจิตนั้น ให้ขาดสะบั้นออกไปฉันทาวิริยะกิตตวิมังสาก็เหมือนกันเช่นนั้นประมมวลแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือจกฆ่าฟันหั่นแหลกกับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนมาตั้งกับตั้งกันหรือนั บ, น บ, นบกับนับกันไม่ถ้วนนี้ทั้งนั้นไม่มีเครื่องมือใดที่จะเป็นสิ่งส่งเสริมวัตจรภาณจิตนี้ให้จเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายเรา เพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในปฏิบัติทาของของพระองค์และศาสนาธรรมตลอดความเชื่อในสันงฆทานังกัจฉารรมีที่ท่านดําเนินมาอย่างไรนั้นจึงเป็นกําลังใจสําคัญที่จะให้พันสาวกศักดิ์ซึ่งเป็นของยากนับแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมายากด้วยกันไม่ใช่จะเสียเปรียบเฉพาะเราคนเดียวว่าทําความเป็นยากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเช่นนั้น นั่นเป็นเรื่องความหลอกหลอนของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ทุกระยะไม่ถึงขั้นสติปัญญาจะทราบมาันนั้นทราบไม่ได้ทั้งที่ถูกมันพัดผันอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขพายในจิตใจไม่ได้เลยเราก็ยังทราบสิ่งพัดผันนั้นไม่ได้ว่าคืออะไรนีอา <c oughs> การ ดำเดนินจึงต้องอาศัยหลักอาศัยเกนมีที่ยึดมีที่เกาะมีที่ให้เป็นกําลังใจมีที่ให้ความเชื่อควา ม, มสงสความหวังก็เป็นขึ้นมาจะหวังขนาดไหนก็เป็นขึ้นจากความเชื่อนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเชื่อมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วความหวังความพ้นทุกข์เอามาพร้อมๆไป หนึ่งิยะความภาคเพียนเพียนได้ทุกด้านทุกอิริยาบถ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ไม่มียกเว้นว่าความเพียนจะไม่เพียนการเพียนเพื่อละเพื่อถอนเพียนเพื่อบำเพ็งเพียนทั้งนั้นคําว่าสวาคาตธรรม ศาสตไว้ชอบแล้วนี้เหมือนกับแบมักผลิพานให้ดูดูทั้งสายทางเดินดูทั้งจุดที่หมายให้เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างคือให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลอย่างสดสดร้อนๆอนไม่มีคำว่าการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตามหลักธรรมคือความจริงเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าการนั้นสมัยนี้ มีมกุลนิพพานไม่มีมกุลนิพพานนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงศา์โลกทั้งมวลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงนอกจากปราบสิ่งจองปลอมทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากใจแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็มร้อยปอร์เ็น100ไปเองเท่านั้นหนีเราบวชมาเพื่อ ด, ด้วยพุทธธรรมทมังสังขังสนังกระามิ เหตุใดจึงให้กิเลเสแท่นังขัถาบมิเข้าแทรกโดยไม่เปล่งวาจาถึงมันแต่ทางใจนั้นหมอบราบกับมันอยู่ตลอดเวลาสงวรแล้วหรือนักปฏิบัติเราแล้วคํานี้จําไมาให้ดีก็ให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้พอตัวเถิดจะทราบภายใน จ, จิตใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่นอกเหนือไปจากใจนี้เลยดินฟ้าอากาศสถานที่กว้างแคบอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานที่อยู่สถาน ที่หลับที่นอนที่ขับกล่องบำรุงบำเรอตนให้ของมันให้สะดวกสบายยิ่งกว่าจิต ด, ดวงนี้เลยเมื่อผิดสติปัญญาขึ้นที่ตรงนี้แล้วจะต้องสัมผัสสัมพันธ์จะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องได้เข็นได้ฆ่ากันโดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าได้สาวกผ้าเข็นฆ่ามาแล้วไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปกัดแย้งท่านได้นังที่เคยพูด ปัญญาสุตตมยะปัญญาการได้ยินได้ฟังเวลานี้ก็เพื่อความเฉลียวฉลาดเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อความฉลาดปินตามายะปัญญาพิจณาไตรตรองหาเหตุหาผลโดยอัดโดยทำเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อให้รู้เรื่องสิ่งที่ผัวพันกับใจตนอันเป็นข้าสึกนั้นไปโดยลาดับ เบื้องต้นจะเกิดขึ้นจากสุตมะยปัญญาอินตามะยปัญญานี้ก่อนต้องได้ใช้าการบังคับพาพินิพิจารณาจนปรากฏผลขึ้นมาบ้างเล็กเล็กน้อยๆยแล้วปรากฏขึ้นในข้อใดแง่ใดย่อมจะเป็นศักดิ์พยานย่อมจะมีกำลังใจ ให้ดิินิตพิจารณาค้นคว้า ม, มากยิ่งกว่านั้นแล้วคล่องตัวไปโดยลํำดับจนกลายเข้าไปสู่ภาวนามายปัญญาเมื่อจิต ด, ด้วก้าวเข้าสู่ภาวนาภาวนามายปัญญาคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติภายในจิตใจของตัเองโดยไม่ต้องไปศึกษาซําเนี่ยจากสิ่งใดจากผู้ใดด้วยเจตนา หากเป็นหนักธรรมชาติของสติปัญญานี้จะรับทราบกันเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเช่นรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสจะไม่มาสัมผัสใดที่ใดนอกจากมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจความสัมผัสระหว่างอายุรนาภานอกกับภายในนั่นแหละเป็นเหตุให้สติปัญญาทํางานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีคําว่ามืดแจ้งสว่างไม่ไม่มีคําว่าอิรดียบรเว้นแต่หลับเสียเท่านั้นนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะให้ผู้ใดมามอบให้ไม่ได้เป็นปัญญาประเภทที่เกิดขึ้นกับตน ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่เคยคิดเคยค้นคิดค้นขึ้นมายิเล็ดอยู่ในสถานที่ใดหยาบรลางละเอียดขนาดไหนเมื่อสติปัญญาประเภทนี้ได้เริ่มไหวตัวแล้วจะเริ่มทราบไปโดยลำดับตำดาและข้าฟันหันแหลกไปไม่หยุดไม่ยัง้งไม่มีคำว่ายอมแพ้ยากลาบากขนาดไหนไม่มีคาว่าถอย เอาจนรู้เอาจนเห็นเอาจนกิเลสประเภทต่างๆพังทลายลงไปเห็นประจักด้วยใจของตนเองโดยทางสติปัญญานี่แหละสติปัญญาประเภทนี้แหละเป็นสติปัญญาประเภทที่ข้ามวัฏจักรออกจากจิตใจได้ไม่มีประเภทใดประเภทเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องส่งเสริมเข้ามาให้ประเภทนี้มีกำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้ว เป็นสติปัญญาโดยอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่จิตขวางลวงใจไม่ให้เกิดสติปัญญาให้คิดให้ก้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้ปรากฏขึ้นความมืดทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ยอ่อมยิ่งมีกําลังทุ่งตัวออกไปทั้งกว้างทั้งแคบทั้งลึกทั้งตื่นยาละเอียดไปได้หมด ที่นี่กิเลสอยู่ตรงไหนอธรรมอยู่ตรงไหนยาพิษที่เคยฝังจนอยู่ภายในใจายอยู่ตรงไหนมันแสดงรวดลาอย่างไรบ้างสติปัญญานี้ไม่ต้องบอกตามต้อนกันให้รูกหมดทุกแง่ทุกมุมพร้อมกับการสังหารกันไปในตัวด้วยไปในตัวด้วยนี่หละที่ว่าธรรมะสดสดร้อนร้อน <c oughs> มรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละ ทั้งพุทธการและครั้งนี้เหมือนกัน <c oughs> เพราะกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันคำว่ากิเลสแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่กับจิตผิดตัวอยู่ครับจิตส่งเสริมกำลังตัวอยู่กับจิตของสัตว์โลกโดยลำดับมาไม่ได้เสริมกำลังอยู่ด้วยการนั่นสถานที่นั่นเวลาเวลาสมัยนั้นสมัยนี้อนใรเลยทีนี้นเมื่อสติ ป, ปัญญาซึ่งเป็นคู่ปรับ หรือเป็นคู้ปราบปรามกันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เหมือนขันเช่นั้นขอให้ผู้ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเวลาเวลาการสถานที่ใดๆนั่นเลยจะถูกกิเลสหลอกต้มโดยไม่รู้จุดตัวให้สนใจกับความจัดความจริงสัจธรรมทั้งสี่สติปัฏฐานส่ด้วยจิตตะภาวนาตั้งแต่ขั้นสุตมะยะปัญญาไปถึงกินตามยะปัญญา แล้วจะปรากฏภาวนามยปัญญาขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยแล้วจะไม่มีเรล่อเวลาด้วยสิน่งจะเป็นท่ามกลางแห่งสนามบลกอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เหล็กกับทาต่อสู้กันเราไม่เคยได้ปรากฏแต่ก็ได้ปรากฏประจักษ์กับขนาดที่ประกอบความภาคเพียนหรือฟากกันหันแหลกกันกับที่เหล็ภายในหัวใจของเรานี่แหละ สติปัญญาไม่เคยคิดคิดขึ้นมาจนได้ไม่เคยรู้รู้ขึ้นมาจนได้ในเลสประเภทใดไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นกันเห็นจนได้รู้จนได้ฆ่าจนได้จนไม่มีอะไรเหลือด้วยอํานาจของสติปัญญาประเภทนี้แหละไม่ใช่ด้วยการด้วยสถานที่เว ล, เวลาดังที่กิเลสหลอกชาวพุทธเราทั่วไปส่วนมากหลอกจากนั้นแหละและเชื่ออย่างนั้นด้วยสุดท้ายก็มันเอาเป็นเครื่องมือ นับถือศาสนา ก, ก็นับถือด้วยอำนาจของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้แต่ทำบุญให้ทานอะไรก็ให้มันกาหนดกฎเกณฑ์คะแนนให้ไปเส้งหมดไม่มีธรรมที่จะกาหนดกฎเกณฑ์ให้ได้บ้างเลยแล้วจะเข้าถึงทมได้อย่างไรนี่สำคัญดังที่มันกาหนดกฎเกณฑ์ให้เราทำความเพียรอยู่เวลานี้รู้ไหมเดินจงกรมสติมีไหม ถ้าสติไม่มีเวลาใดนั่นแหละคือมันทำงานอยู่แล้วนี่เราก็ไม่รู้เมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่รู้นั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นแบเป็นอย่างไรตั้งแตงที่กิเลสลากไปจนะลอกปอกเปิือนกะก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดถลอกปอกเปิืกจนกระทั่งไม่มีหนังติดตัวถ้าหัก กิเลสเป็นเหมือนสัตว์เป็นบุคคลลากถูเราไปอย่างนั้นแล้วถ้าในวันปรามันตานี้จะไม่มีเนื้อหนังติดตัวเลยดีไมด่ดีกระดูกขาดไปกี่ท่อนก็ไม่รู้แต่ยังก็แล้วยังคืมใจอยู่ว่าได้ทำความภาคความเพียรมันเพียรอะไรอนอกจากมันเคิมไปกับเพลงกล่ำของกิเลสลากไปนั้น หนังขาดไปก็ยังพอใจกระดูกขาดจะบั้นไปก็ยังพอใจยังไม่รู้กระดูกเจ้าของหลุดไปหนังเจ้าของหลุดไปเนื้อเจ้าของหลุดไปนีไม่ดีกระโหลกทิษะเจ้าของก็จะหลุดไปไม่มีทิษะก็ยังติ้งกับมันได้สบายไปเลยนี่เมื่อยังไม่ถึงขั้นเราจะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ที่เลืรศลากหัวใจเราไปถลุงมันถลุงอย่างนี้ แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรรู้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้ขอให้ดําเนินตามนี้เถอะจะรู้มันทุกแง่ทุกมุมไปโดยลําดับลําดาค่อยขยายไปออกว้างไปกว้างไปละเอียดเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของจิตที่ยิบเข้าไปสติปัญญาก็ตามต้อนเข้าไปเหมือนไฟได้เชือ้อเท้าไปเป็นลําดับลําดาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งที่แทรกอยู่ภายในยจิตก็ไปกล่อมจิตอีกทําดีไม่ดีเถอะตัว แต่ก็เผลอไม่นานคำว่าไม่เผลอต้ยังพูดไม่ได้ต้องเผลอก่อนกเพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ไม่พ้นชาติปัญญาที่ว่าคิดแต่ภาวนาหรือว่าภาวนามนยปัญญานี้ไปได้เลยเดี๋ยวกับทุ่งกันทะลุไปเลยหมดสิ้นซากภายในใจสิ่งที่ปรากฏเด่ น, น ช, ช่านได้อัศจรรย์ที่สุด ครอบสามเดือนโลกธาตุนี้ก็คือใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอะไรไม่ถูกแต่ไม่สงสัยนี่เท่านั้นที่เด่นอยู่ในโลกธรรมกับจิดเป็นอันเดียวกันแล้วเด่นแล้วจะสนุกพิจญานย้อนหลังไปหากิเลสที่นี่กิเลสมันเด่นตรงไหนมันวิเศษที่สูงที่ตรงไหนมันเลิศเลอที่ตรงไหน มันให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนจะย้อนรู้หมดปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้รู้หมดทีกิเลสมันอยู่ในหัวใจใดอยู่ในหัวใจนี้ได้วัดกันถ้จนแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทนไม่ได้แล้วพังทลายลงไปแล้วมันอยู่ในยังอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาโดยอากัปกิริยาใด ทำไมจะไม่รู้ปิดได้ยังไงไม่มียานก็ตามเถอะกิเลสมันจะต้องมีเครื่องมือเหมือนกันแสดงมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางกิริยามารยาทจนได้ให้รู้ให้เห็นกันอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ทางเดินของกิเลสออกมาในไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้กิริยานี้กิริยานี้รู้หมดเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วก็กิเลสประเภทเดียวกันมันอยู่ในหัวใจใดมันก็ต้องรู้จนได้แม้คนนั้นไม่รู้ก็ตาม พูดจะเคยรู้เ ค, เคยละมันมาแล้วต้องรู้ดังพระพุทธเจ้าพระพระหานท่านปิดท่านไม่อยู่เนี่ยความเห็นโทษท่านเห็นถึงขนาดที่เหมือนกำนาใจหายที่ดูที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสสะดุ้ใหม่ๆทรงท่อพระไัยทั้งๆที่ทร ง, ท ง, ทงปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะลื้อผลสัตว์โลกออกจากแหล่งแห่งกองมหันตภกมนี้อยู่แล้ว แต่เวลาในตรัสรู้ทําแล้วยังทรงเกิดความพ้นขวอยน้อยก็เพราะว่าเห็นว่ามันหนานแน่นเอาจนขนาดทรงตามความพ้นขวอยน้อยนั่นเองโอ้ข น, ขนาดนี้ทําไมใครจะรู้ได้เห็นได้นั้นสุดมิสัยโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดภาษาอย่างตลาดของพวกเราก็เราอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วถึงวันตายเท่านั้น แล้วไม่ควรจะสั่งสอนใครแล้วหนักพอแล้วแต่เราฟัดกับมันมาก็ถึงขนาดสลบสะไหลแลจะไปสอนใครใครจะกล้าสลบสลไหเหมือนเราใครจะกล้าจะรับความทุกข์ความลําบากขนาดที่เราจะรับความทุกข์ความลําบากเพราะการต่อสู้ก็เกิมานี่เล่ามันจะไม่มีลายใดแน้วจะสอนไปยังไงเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วดูไปวันหนึ่งมาหนึ่งพอ ดังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นก็พอแล้วถึงวันเขาไปเลยนะเพราะทรงรู้เฉพาะวงจํากัดเท่านั้นยังไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินและอุปนิสัยของผู้ที่สามารถรู้อย่างมีอยู่ต่อเมื่อในพิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาต้นเหตุถือเอาพระองค์เองเป็นต้นเหตุว่าก็เมื่อเป็นสิ่งที่สุวิสัยของโลก ของไก่ไข่จะรู้ได้แล้วทําไมเราเป็นอะไรเป็นเทพบุเทยวดามาจากไหนวิเศษกว่ามนุษย์มาจากไหนถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลกลไกอันใดถึงรู้ได้นี่ก็ไม่พ้นปฏิปทาเครื่องดําเนินรู้ได้เพราะเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั้นแน่ก็เมื่อแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการทางเดินเครื่องดําเนินให้เขารู้และทำไมคนที่มุ่งหวังต่อความจริงมีอยู่ จะไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นมีอย่างหรือต้องรู้เรายังรู้ได้คนอื่นเขาก็คนเหมือนกันต้องรู้ได้ผมมีอุปนิสัยปัจจัยละเอียดละออยังมีอยู่เยอะนัะ่ทรงเล็งไปอีกเด็นยานก็ทราบชาัดว่ามีได้ที่นี่น่นถึงขนาดนั่นหละเห็นไหมความทอดอะไราตายอยากกับการสั่งสอนโลกเพราะอำนาจของจิเหล็ก ที่พระองค์ได้เคยต่อสู้กับมันมามันถึงขนาดนั้นทุกขนาดนั้นใครจะมากล้าเสี่ยงใครจะมากล้าสวายียชีวิต จ, จิตใจต้นต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราเป็นอยู่นี้มีเหลื อ, อเล่เข็ดหลักในพระองค์แล้วก็เข็ดหลักในการส่อสอนคนอื่นให้เขาทำดังพระองค์นี่แหละความจริงเป็นจํานั้นแต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเหตุผลต้นตาย มสมกับเหตุผลแล้วพระองค์ก็ขยายพระองค์ออกไปให้สมกับภูมิของโพธิญาณปรสศรูเป็นศาสดาขึ้นมาทรงทําหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันปราศรูปแล้วจนกระทั่งปรินิพานยังประกาศทำสอนโลกไว้ตลอดมาจนกตะทั้งถึงทุกวันนี้ว่าทำนี้สามารถทำนี้สามารถขอให้ผู้นําปฏิบัติเป็นผู้สามารถเถือ มักคผลนิพานจะอยู่ในเื้อมือไม่ต้องสงสัยกิเลส จ, จะพังไปด้วยธรรมเหล่านี้พังไปด้วยธรรมเหล่านี้วัตจกักวัตจิตมันจะหนานแน่นขนาดไหนทนมัจจิมาปฏิปทานี้ไปมาได้เลยพังด้วยกันหมดเอาเธอเอาเธอเหมือนอย่างนั้นย่าไปคิดให้เสียเวล่เวลาที่ถูกกิเลสกล่อมไปนั่นนั่นไม่ใช่เราตถาคตสอนนั่นไม่ใช่ทำตถาคต มันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมขอ ง, งกิเลสตัาหาอย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมอยู่ในวะะัฏจักรวนนะอย่าเชื่อให้เชื่อธทำจะเป็นนิวัตตะจิตขึ้นมาภายในจิตใจบริสุทธิ์ผู้ตัวขึ้นมาที่ใจให้เชื่อคาถาโคตรนะเพุทธังสนังกระฉามิเปล่งถึงท่านอุทิศชีวิตจิตใจข้อบวัดปฏิบัติ ท, ท่องตนให้ถึงท่านทำมังสนังกระฉามิเป็นถึงที่วิเศษเลิศอนเลยไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามเดือนโลกธาตุนี้ มีพระนิพพานนึกวิสุทธิธรรมเท่านั้นเป็นอันเดียวกันเอามุ่งใจถวายลงไปสังขังสันนักระฉามิท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตาได้ได้ไปถึงคขั้นบริสุทธิ์วิมุตต์พรนิพพานด้วยการุูสาพยายามเราเป็นลูกตาขากดเราถอยหลังทําไมเอาสิสังขังสันนักรฉามนีไว้ว่าอย่างไงถึงใจได้ต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดําเนินทุกสิ่งทุกอย่างแนวจะพ้นไปไม่ได้นะ ไม่อยู่ที่ไหนมักผลนิพานอยู่ที่กิจที่กําลังถูกลุมล้อมอยู่ด้วยยาพิษทั้งหลายนี่ยฟันลงไปนักปฏิบัติอยาท่อถอยอยาเห็นอันใดเลิอดยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าส่อคาธรรมที่ตัดไวชอบแล้วนี้เราเคยคุกเข้าเลยเคยร่วมเคยจมมากับวัดตวันกับเพลิงของจิเดียดนี่มานานแสนนานแล้ว แม้เราจะมาแนวก็ตามให้ถือหลักปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลาทุกขณะที่สัมผัสัมพันธ์กันอยู่นี้เป็นสักขีพยานเถิดแล้วนำธรรมเข้าไปกําจัดจะไม่มีกิเลสตัวใดที่เหนือขอไปได้เนออหนืออํานาจแห่งธรรมนี้ไปได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแล้วไม่ใช่ธรรมปราบธรรมธรรมปราบกิเลสนําไปปราบต้องได้ต้องรู้ต้องเห็น การจะรู้ทำเห็นทำรู้ด้วยภาคปฏิบตัติปริยาตศึกษารเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาพูดปฏิบตัติปฏิเวศจะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับกําดาแต่ทำนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอยู่อย่างนั้นนี่ก็หน้าคิด ศาสนาทำคำสอนของพระเจ้าเป็นธรรมที่เลือดที่ประเสริฐแต่กลายเข้าไปเป็นคมภีร์บวลานใช่หมดอยู่ในตู้ในคัมภี์บวลานไปอยู่ในความจดความจําของผู้ท่องบ่นสังวัตะยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยศาสนาธรรมในกายเป็นเรื่องปริยัติแต่ใช่หมดไม่มีภาคปฏิบัติเกี่ยวพนเลยศาสนาธรรมคือคือคำพีบาลานคือความจดความจําเท่านั้นก็ใครก็จําได้จดได้จําได้ท่องบ่นสังวัทะยาได้ก่วงแค่มากน้อย แต่มันก็เป็นแตเพียงความจําโลกเขาประจําได้ยากอะไรมันไม่วิเศษไม่เห็นประจับต้องเอาภาพคนนี้มาจับเข้าไปถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นอย่าให้ธรรมะของพระเจ้าเข้าไปดองอยู่ในสถานที่ไม่ควรดองไปดองอยู่ในคัมภีร์บร า, านอยู่ในตู้นั่นหีบนี้ในหนังสือเล่มนั่นเล่มนี้ไปดองอยู่ในความจดความจำถืออความจดความจําเป็นของวิเศษถือเอาชื่อของ อาจของทำของกิเลสต่างหากอยู่ในกมปีบาลานมากเป็นของวิเศษวิเศษที่ไหนชื่อกิเลสในกำปีบาลานได้ความทุกข์แก่กำปีบาลานมีหรือมันทุกขอยู่ที่ใจของเราต่างหายกิเลสอยู่ที่ไหนทุกขอยู่ที่นั่นให้ย่ํายีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ายีเราก็แล้วกันให้เอามาใช้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นํามาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย เต็มตู้เต็มหีบก็เต็มนั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีจะล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉยไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นำมาใช้มีเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงใดก็เท่านั้นแนี่ยเหมือนกับเครื่องมือล้นฟ้านั่นเองไม่นำมาแก้มาขายมาถอดมาถอนพิเด็กอันเป็นตัวปืนตัวไฟเผาล้นดุจไฟในใ จ, จิตใจนี้จะเกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้มความรุดพ้นไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้เราก็ได้าติท่านทรงสอนไว้แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้ ถ้าผู้ต้องการผลจากทางาศาสนธรรมอย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดําเนินตามหลักของครูที่สอนนี้รักกันตั้งอกตั้งใจให้นําออกมาใช้นําออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติแล้วปฏิเวทจะแสงตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่เอาจริงไม่เอาจริงไปแม่รอดนะญาเข้าใจว่ากิเลสเจะอ่อนกําลังนะ อยากเข้าใจาว่ากิเลสนี้มีวัยเหมือนเด็กเล็กเข้ามาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะ่ะราคาตันหาคืออะไรคือกิเลสมันเคยแก่ไหมความโลภความโกรธความหลงมันเคยแก่ไหมคนแก่แล้วกิเลสมันแก่ด้วยไหมลราพิจารณาดูสิกิเลสไม่เคยแก่สังขารร่างกายเครื่องมือของกิเลสมันแก่แต่กิเลสมันไม่เคยแก่หนุ่มฟ้า อ, อยู่เงี้ะ คึกขนองได้ตลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังคึกขนองได้สบายโกรธได้สบายหลงได้สบายเพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับตำหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะเป็นอย่างไรต้องนำเมาคือปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีวัยเหมือนกันอืไม่มีคํำข้าชาราไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นตัวคํำข้าชาราเสียทั้งทั้งที่หนุ่มพ่ออยางนี่นำเมาคือปฏิบัติ ต้องรู้ต้องเห็นดำพระพุทธจารสาสนาวกทั้งหลายรู้เห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสุดๆร้อนๆแท้ ๆ, ๆไม่มีการไม่มีสถานที่เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ธรรมก็ไม่มีการสถานที่ฟัดลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นมาสัจหวางที่ผมนั้นมันโลกุลังตรงไหนหรือถอนสิ่งที่โลกําลังออกความเตียนร่องจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันโลกุลังที่จิตใจมืด อ, อยู่ที่จิตใจถอดถอนออกจา ก, กจิตใจนี้ เปิดสติปัญญาสตากำเพียงขึ้นที่จิตใจนี้จะสว่างแจ้งขึ้นภ า, ายใใจแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วภาษาทูแม้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทําไมาของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสารที่จะกร บ, บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกอธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เอง จะบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าโดยตำดับธรรมดาจนกระทั่งาาถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงนะถามว่าคุณเจ้าหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับทานด้วยฉันแต่ฉันนี่แนหะมันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามกันหาอะไร <ME> เมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับทานด้วยกจากการขบกันฉันไม่จําเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครเลยเพราะเป็นความจริงมันเป็นอย่างเดียวกัน ถามภาษาอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะอู้หูเหน่อยแล้เอาแล้วนะแคนี้พอชิอเปียงนั่นแหละก็เทไปจะไปมันหนักเป็นปุ่มเล่นหัวเหนื่อยไห ม, มันมาทำรังเลยเย็นมาไหนก็มาสัตว์อย่ี่นะั่นสัตมันก็นยังรู้ที่เยน็นที่ปลอดภัยมันก็ยังรู้ถึงมันไม่รู้ว่าทําคืออะไรก็ทํา มันก็รู้โดยหลักธรรมชาติมาที่นี่ร่มเย็ยนที่นี่ปลอดภัยที่นี่เป็นสุขนันก็มานั่นแหละธรรมมีอยู่ทั่วไปจำเป็นอะไรจะต้องบอกว่าธรรมธรรมหลักธรรมชาติบอกตัวเองมันไปอยู่ในคำพีไปลานนั่นสิมันไม่ได้มาอยู่ที่หัวใจมันจะรู้ได้ไงว่าธรรมเป็นยังไงรสของธรรมเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงไม่รู้ที่ ถ้าลงมันมากระเทือนหัวใจซะเต็มดวงนี่แล้วมันทําไมจะไม่รู้ว่างั้นน่อยเจ้ามีกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มันก็ยอมรับหมดเลยเพราธรรมชาตินี่ยอมรับกับตัวเองแล้วท่านก็สอนตรงนี้ แ, แท้ๆตรงนี้ก็เรารู้ แ, แท้ๆนี่ยจะไปสงสัยครูหาอะไรธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะบ้ารู้แล้วจะเป็นบ้าไปสงสัยครูมีอย่างเลย ผมมาใหม่กาศึกษาก็ต้องศึกษาจริงจังนะจะมาทำเล่ะๆให้เห็นนะมันหนักพวกที่อยู่ก่อนก็หนักเลาผูด้ดูอยู่นี่มันก็หนักส่วนมากมันรูปตาของเรานี่แหละมันหนักมากมนะผมองภาพนี่มันกระเทือนก็นนี้แล้วนอกจากเฉยแบบหมาปาหามกอนไม่สนใจเอาไม่ถทนกันไปได้ มันถึงมีเลยของส้นใจดูไม่ดูก็ไม่รู้เดีย๋ยวนี้มันอดไม่ได้ไม่ให้รู้อยู่แนก็เห็นอยู่นี่น่ะเน่ตาเนี่ยก็เคยใช้ามานานแสนนานแล้วผิถุกดีชั่วทำไมจะไม่รู้หูก็ฟังมานานแสนนานแล้วเคยเชื่อกันมาแล้วงานระคุทมกันยังนึกยังดีอยูน่ น, ยนของกคนเอา ความห่วงหมืเพื่องอยู่ร่างกายมันทำรุดรุดจนประามแต่ใจมันไม่ได้ทารุดด้วยนีย่ความห่วงใยมือพ่วนความสงสาร ม, มือพ่องมันก็มีอยู่คงเช่นคงบ้างเมื่อพอมีโอกาสพอที่จะหยุดไม่ได้เมื่ อ, อไหรก็ทงคว้าทงควายหลวงพ่อกำลันเล่นความภาคเพลินนะ อยาไปเห็นงานอะไรมากยิ่งกว่าโดย น, น, นุกมน้ำชำระที่ฟรอนดูหัวใจของนะค่าสึกไปอยู่ที่นี่ความประเสริฐไปอยู่ที่นี่ความแท้ความชนะอยู่ที่นี่นะเมื่ออยู่ที่อื่นาให้มันจิดมันพาสลาไสลายนะหาเรื่องอะไรอรมาแก้ลำพันข์ลำพันเพิ่มลำพันธ์ก็ไม่รู้พิเดียันพาเกานะ่าที่ไหนไม่คันจะหาเกาวนะี่ยเยอะไปมหาที่เรือนนายย้อยบอกนะ ละเอียดมากนะอันนี้นะพี่ใหจริงๆนะพี่ใหญ่เขาทํางานในวงศาสนาพี่ใหญเข้าทํางานในวงพระวงเนรในกิยามายาของพระของหนึ่งในการกระทำแบบจะพูดเลยว่าทุกแง่ทุกมุมของวัดของว่างไม่จะเรื่องอันนี้เข้าไปทํางานทำนั้นไม่เห็นไม่รู้หน่นะฮะแล้วก็พูดเลยอย่างเดียวเท่า น, นั้นเลยว่ามันเข้าทำไม่ได้ตั้งแต่ ถึงขั้นภาวนาเมยปัญญาว่ามีมีแต่มีแต่ขาดหางขาดหางด้วนไปเลยขาขาดไปเรื่อยไเลยไม่มีอะไรที่จะงอกจะรัดออกมาอืมหืมวันมันหางขาดหางด้วนหูขาดปากขาดไปเรื่อยเสียดียกับหัวใจพังทลายหัวใจวัตจักรปัญญาขั้นนี้บอโห เรียนไม่เรียนที่ไหนเป็นขึ้นเองปัญญาข้ากิเลสต้องเป็นปัญญาขึ้นนี่แหละที่ว่าทําเกิดมรรคธรรมเกิดกี่ปัญญามรรคธรรมสัมมาทิฏฐิสมาสังโปรสมาสตินั่นอะไรอิยาการทุกอย่างเกี่ยวยอมไปหมดถ้าลองสัมมาทิฏฐิสมมาสังโปรได้ได้ก้าวเดินแล้วสัมมารกรรมนตาก็ชอบนั่งาทำสมาธิภาวนา ไม่แต่ประมุกงกงินชอบเดินยงกลมก็เหมือนกันเดินฆ่ายิเหลดเรื่องเรื่องโซซัสโซเนเป็นได้ผมเคยเป็นมาแล้วนี่ย<ม>ถ้ามจิตไม่ได้ออกหมุม่อยู่ภายในนี่ติวติวอยู่กับยิ่งเหลดไม่ได้มองคนอื่นมองยิ่งเหลดแล้วก็เดินมุดเข้าป่ากลับออกมาแย็บมาเข้าป่าออกมาทั้ง น, นี้ไม่ปล่อยมือกันอีู่ฟาดกันอยู่นี่ซสซซัสโซเทนแบบนั้นเป็นไรไป ไม่ได้่วงเัวนอนเนี่ยธรสมากรรมันต์ากทาการนานชอบเดินไปไหนไปไหนชอบหมดมิตรชอบในการฆ่ากิเลสธรรมะาวาจากล่าวตั้งแต่เรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสฉันเลยกระทำเหมือนกันว่าอืมเรื่องมากเรื่อผลธรมาชีดว่าเอาแต่อัดแะทําเลี้ยงหัวใจฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยยาพิ จ, พาาจารภัยคำตัดออกไปเรื่อยนั่น ไม่เลยว่าสัมมาอันนั้นส ม, มาชีวะ่วัดนำอาหารมาเลี้ยงนะอันนี้ยังยากหนูทำเข้ามาเลี้ยงหัวใจกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยยาพิษมันอยู่ในนั้นออกออกเลยสมมาสัมมาชิวสัมมาวายาโมก็คลอดไปหมดแล้วสัมมาสีสัาธันที่ไหนแหลกหมดเลยไปตามกันหมดเกี่ยวยมกันยังว่า มักแปดนี่เกี่ยวยงกันหมดเลยนั่าแหละธรรมามักขสมังคีเข้ามาสมังคีนี่แหละเข้าแบบนั่งก็ลงทีมีธรรมะมักขสมังคีคือกลัวรวมกลุ่มมันเข้าไปได้หนึ่งอันเดียวกันพราะแต่นี่กระเทือนไปหมดเลยตั้งแต่สมาธิจุกระตั้งสมาธิใครยังมันไม่เห็นมัรขสมังคีก็เอาลงภาวนามตปัญญาสิไม่ต้องไปถามแหละ ผู้เย้า่้าี่เลสยังไงภาษาวข้าี่เลส ย, ยังไงมันจะบอกในตัวนี้เสร็จหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันหมดทั้งปายเหตุสสยผลลงเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีคําว่าค้านกันมีกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์บรรดาพระลานมาอยู่ถามกันนี้จะมีไม่มีที่ค้านกันเลยเพราะแบบเดียวกันอันนี้ลงจุดเดียวกันสัมมาสตัตย์สัมมาสัมมาชื่อือขึ้นมาคสตัตย์ก็ตั้งท่ายด้วยหลัธรรมชาติหือว่าไง สมาธิเราถึงจะไม่นั่นสมาธิไปตามมันมั่นอยู่ต่อแดนพ้นทุกข์มั่นในแต่จะเอาชนะท่าเดียวนั่นสมาธิหลาก็ระเภทสมาธิที่สงบใจนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสมาธิที่ความแน่นหนามั่นคงของใจหรือความมุ่งมั่นของใจที่จะโค้งมันทะลุมันก็อีกอันหนึ่งคือความมั่นสมาธิสมาธิความมั่นผิดมันตั้งมั่นพอนั่น กัจจ a j จากสมาธินี้เป็นสมาธิเป็นั่นขึ้นมาประเภทนั่นขึ้นมามันเป็นแรงใจมันรู้เองทําไมเปลี่ยนพูดอะไรมันก็ผิดเพราะตัวจิตพระให้ผิดนี่นะขอให้จิตถูกที่อย่างเดียวเถอะพอจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทําไมจะพูดไม่ได้รู้ยังรู้ได้พูดไม่ได้ไมีเหรือที่ควรจะพูดอ่ะไม่อยากเห็นพระทรงมากทรงผลแล้วไม่อยากเห็นอันชมความขี้เกียจขี้คร้าน ส่งแต่ก่อนแล้วนินแล้วกินแล้วนอนเราไม่อยากเห็นไม่อยากพบมันเกิดน่แผ่นดินนะนี่ส่งแต่โกโก้โ ก, กาแฟาสรงแต่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานทรงมรกรุ่นไม่ได้ส่งไม่อยากได้หินพระพระพุทธเจ้าพระทรงมรกรุ่นนั้นนั้นพระของธเราพระท่ ง, ท อ, ง, อ, งทอย่างไรส่งเ ง, งินข้ามไม่ไปทําลายพระพุทธเจ้าแหลกหมดพระพุทธเจ้าที่จะเกิดพิรุกใจีิมันทําลายที่ตรงนี้ีิ อืมเอาละอันนี้เลือกกันนะ